ฟังทำกันตามสบายปัญหาต่างๆของชีวิตคนเราส่วนมากเกิดมาจากความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งบางครั้งมักจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงคือเป็นบิดเบือนความเป็นจริงอย่างนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้อจะถูกความคิดหลอกหรือติดอารมณ์ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ขอชี้แนะบางครั้งเราก็ไม่สามารถออกจากอารมณ์ที่ติดได้มีอยู่เรื่องหนึ่งภาพรูปหนึ่งอยากประรุธธรรมไวๆจึงขอลาจเจ้าวาด ไปปฏิบัติธรรมปีวิเวกอยู่คนเดียวที่เกาะแห่งหนึ่งวัด ท, ที่ท่านอยู่มีแม่น้ำฝังกัน้นโดยทางวัดจะนําอาหารไปส่งให้อาทิรละครั้งท่านก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีใครมากวนดํารงชีพโดยการหุงหาอาหารกินเองถึงอาทิตย์สเบียงก็จะส่งมาถึงการเวลาผ่านไปหลายเดือนพระท่านนี้ท่านก็บันใจว่าตัวเองมีภาวธรรมที่บั่นคงแล้วอารมณ์ใดๆก็ไม่สามารถทําำลายท่านได้เพราะท่้นฝึกสมาธิตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ท่านอยากให้อาจารย์ ได้รู้ประท่านเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งจึงได้แต่งบทกวีขึ้นมาบทหนึ่งมีใจความว่าอภิวาสองค์เหนือฟ้าพระสมีเจรจ้ า, าสา่องไพรารลม8ทิศพัดโบกไม่สถานประทับมั่นในประตูม่วงทองความหมายของบทกวีบทนี้ก็คือท่านเนี่ยจิตที่เป็นอิสระจากโลกธรรมั้ง8คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสริญมีอินทาอารมณ์ของโลกธรรมไม่สามารถทำอะไรท่านได้ทา่านก็มั่นใจว่าท่านบรรลุธรรมแล้ว ขันเรือราสทะเบียงังท่านก็ฝากบทกวีนี้ไปให้อาจารย์ท่านอ่านแล้วหวังว่าอาจารย์จะชื่นชมท่านขันบทกวีถือมืออาจารย์อาจารย์เซนขันอ่านจบแล้วก็ใช้ผู้การจุ่มหมึกเขียนเพิ่มตรงเติมลงไปว่าผายลมแล้วก็ให้สิทธิ์ น, นําไปให้พระที่เก็บตัวอยู่บนเกาะพระเจ้าของบทกวีดีใจมากที่อาจารย์อุตสาหเขียนข้อความส่งกลับมาคงจะชื่นชมเราแน่ค่อยๆบรรจงแกะข้อความออกอ่าน คัเห็นคำว่าผายลมอารมณ์ที่เมื่อสักครู่กําลังดีใจก็พันเปลี่ยนเป็นโมโหทันทีเพราะมีควา ม, มารู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยเขียนข้อความมาดูถูกเหยียดหยามท่านโกรธมากโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้และขอปิดเรือกลับมาหาอาจารย์ด้วยพอไปถึงเจอหน้าอาจารย์ก็พูดด้วย เ, เสียงที่แฝงโทสะบอกอาจารย์ทำไมทำแบบนี้ทําไมต้องเขียนข้อเขียนมาละลาน้ําใจคนอื่นด้วยแฝงอาจารย์เซนก็ยิ้มและพูดขึ้นว่า เจ <S an> ้าเขียนมาว่าลมแปทิศพัดโบกไม่สะทยานแต่ชะไหนหนึ่งผายลมจึงนําให้เจ้าออกจากเกาะข้ามแม่น้ํามาหาเราถึ ง, ถ ง, ท, ถงที่ที่นีได้ <S <S พระท่านนี้จึงรู้สํานึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ถึงธรรมยังมีอารมณ์โกรธจิตยังไม่สามารถอิสระจากโลกธรรมได้จึงกราบขอเข้ามาอาจารย์แล้วก็กลับเกาะไ้ฝึกฝนตนเองต่อไป <S <S ครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงธรรมแล้วท่านจะมีวิธีช่วยลูกศิษย์ให้เห็นลมตัวเองและให้ลูกศิษย์จะออกจากอารมณ์ที่ติดได้ แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็จะเหลิงและหลงผิดบางท่านเกิดสมาธิเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าตนบรรลุธรรมแล้วไปตั้งสำนักหรือไปเที่ยวสอนคนเป็นอาจารย์ใหญ่ก็มีการที่รู้จกักกิเลสตัวเองจึงเป็นเรื่องที่ดีถ้าเรารู้เราจะได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้เลยบางทีอายตลอดชีวิตเลยก็ได้เป็นคนแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเมื่อสมัยก่อนมีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าหลวงตาพวง ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ท่านไปบําเพ็ญภาวนาอย่างจริงจังและตั้งใจมากจนเกิดวิปัสสนากิเลสขึ้นมาสำคัญผิดคิดว่าตัวเองบรรลุภพลิพระอาหารแล้วท่านก็มีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาว่าอยากจะปวดสรบปสัตว์อยากช่วยเหลือโคนให้พ้นจากกองทุบท่านจึงเดินทางไปเพื่อจะไปปรดอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ดุลย์วัดของท่านอยู่ห่างจากวัดบุรพารามประมาณ80กิโลเมตรท่านก็เดินทุดงมาเลย ไ ป, ไปถึงไปถึงวัดบุรพาราม mm. ก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าไปถึงก็ร้องเรียกหลวงปู่ดูลธรรมดาเมื่อก่อนหลวงตาพวงท่านจะพูดกับหลวงปู่ดูลเนี่ยแบบเสียค่อยๆจะไม่กล้าตะโกนและไม่กล้ารเรียกชื่อโดยตรงแต่ครั้งนี้ท่านเรียกท่านเรียกเอ่ยชื่อเลยสุริยาก็ไม่เคารพเหมือนเดิมหลวงปู่ดูลเปิดประตูออกมาแทนที่ท่านจะกราบหลวงปู่ดูลท่านอยากให้หลวงปู่ดูกลกราบท่านด้วยซ้ําเพราะท่านว่าท่านมอว่าท่านเป็นพระาารหันและถ้านพูดธรรมสอนหลวงปู่ดูลต้องนาน หลวงปู่ก็ฟังไปชั่วโมงก็ไม่ได้ว่าอะไรปล่อยท่านพูดไปแล้วหลวงปู่ก็ให้เนเนพาใบาพักท่านก็ไปสอนพระรุ่นรุ่นนี้หลายท่านวิปัสสนูกิเลสนะอยากสอนคนหลวงปู่ดูลหาวิธีแก้อลลมของหลวงตาพวงตั้งหลายวันก็ไม่สามารถแก้ได้จนท่านต้องหาวิธีทําให้หลวงตาพวงโกรธท่านยังพูดด้วยคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงพูดทํานองว่าสัตว์อรกสัตว์อรกออกไปให้พ้นจากกุฏิเดี๋ยวนี้หลวงตาพวงพอได้ยินคำว่าสัตว์อโลกสัตว์อรกอารมณ์โกรธก็พุ่งขึ้นมา หยิบของหยิบผิดหยิบถูกแล้วออกจากวัดปุระพารามทันทีแล้วก็บอกว่าหลวงหลงตาดุลไม่ใช่แม่ของกูไปก็ได้แต่หลังจากนั้นอีกไม่นานท่านก็เกิดสติรู้สึกตัวขึ้นมาว่าสีท่านทำนานผิดท่านก เ, เกิดเกิดความละอายใจแล้วกราบแล้วกลั บ, ลลบมาขอเข้ามาหลวงปู่ดุลอันนี้เป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่ช่วยทําให้ลูกศิษย์เนี่ยกลับคืนมาสู่ความปกติเพราะการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็จะหลงและแกอารมณ์ได้ยากบางครั้งความโลภความโกรธคว า, ามหลงคว า, ามกลัวก็ดี ถ้าใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าเพราะไม่รู้ว่าหล่นตัวเองมีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่าลิลี่คั้นเธอแต่งงานก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านสามีป้าของสามีเธอก็มีแม่ของสามีที่เป็นคนจุกจิกจู้จี้เจ้าระเบียบและไม่ชอบที่หน้าเธอเท่าไหร่นักแล้วเธอก็ไม่ชอบหน้าของแม่สามีเหมือนกันเธอจึงไม่ค่อยมีความสุข เราแม่สามีมักจะ ว, วาดว่าตำหนิเธออยู่เสมอคันอยู่บปนานนานเธอก็เริ่มเกลียดแม่สามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นความพยาบาทท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจจะต้องฆ่าแม่สามีให้ได้จึงเดินทางกลับไปหาลุงซึ่งมีอาชีพขายยาสมุนไพรพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้ลุงฟังลุงของลิลลี่ก็นายามาให้เธอห่อหนึง แล้วก็บอกกับเธอว่าให้ทําตามเงื่อนไขคือเธอจะต้องเอาใจแม่สามีมากๆทําำอาหารอ ร, อ, อร่อยให้แม่สามีทานเวลาเธอพูดอะไรก็เชื่อใช้ทําอะไรก็ทำํำยาก็นานๆใส่ทีอย่าใส่ทุกวันเพื่อจะได้ไม่ให้คนสงสัยว่าเธอเป็นคนฆ่าแม่สามีเธอจะทําตามที่ลุงบอกได้ไหมด้วยความคิดแต่ค่าแม่สามีลิลี่ก็ตกลงยอมทาตามเงื่อนไขคัทเธอกลับไปบ้านเธอก็นํายามาใส่ในอาหาร ที่เธอทําทุกครั้งและให้แม่สามีทานแล้วคอยเอาใจเวลาแม่สามีว่าอะไรเธอก็ไม่เคยเถียงใช้ทำอะไรเธอก็ทําจากเดิมที่เคยเกลียดตอนนี้แม่สามีก็เริ่มรักเธอเหมือนลูกจริงๆแล้วเวลาเพื่อนบ้านมาหรือญาติเธอมาก็จะชื่นชมเธอให้ฟังว่าลิลี่เนี่ยเป็นลูกสะพ้าที่ดีคนแบบนี้หายากต่อหลังลิลี่มีความสุขมากแล้วเธอก็เริ่มรู้สึกรักแม่สามีเหมือนแม่ตัวเองจริงๆแล้วความที่จะฆ่าก็หายไปเธอเริ่มรู้สึกวิตกกังวลและกลัวแม่สามีเธ อ, อยาตาย เธอจึงกลับบ้านไปหาลุงอีกครั้งเพื่อจะขอยามาแก้พิษและเล่าเรื่องต่างๆให้ลุงฟังลุงของเธอก็บอกว่าที่ให้ไปไม่ใช่ยาพิษหรอกเป็นยาบำรุงยาพิธีแท้จริงก็คือใจที่คิดร้ายของเธอนั่นเองซึ่งตอนนี้ได้ถูกชำระล้างแล้วด้วยความรักจะหาความจริงใจจากใครเล่าถ้าหากเราไม่ให้ใจจริงก่อนมัวโอดโอยหอยหาอย่างอาวรคงต้องนอนเฉาเหี่ยวอย่างเดียวดาย จงรู้จากหยิบยื่นคนอื่นบ้างอันเป็นทางสร้างสุขทุกสลายเขาหมดทุกสุขใสทั้งใจกายเขาก็หมายสนองเรายามเศร้าเอ่ยเรื่องราวของลิน ล, ลี่<ๆ>ก็ไม่ดูทาหอนอย่างดีสำหรับครอบครัวเพราะคนทั่วไปโดยมากมักต้อการคนอื่นดีกับเราก่อนแต่โดยตัวเราเนี่ยมักจะไม่ดีกับคนอื่นก่อนเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีคนเขียนปัญหามาถาม พาจ่าพิสารว่าถูกมองว่าเหงแก่ตัวจะแก้ไขอย่างไรเนื้อกว่าของปัญหาก็มีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกมองว่าเป็นคนเหงแก่ตัวเพราะมีนิสัยที่นิ่งเฉยไม่ค่อยพูดกับใครแล้วก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นทําให้ถูกมองเป็นคนนิ่งและไม่สนใจจิตใจคนอื่นมาต่อหลังผู้หญิงคนนี้ก็อยากจะปรับปรุงตัวเองอยากจะ มีมุสสพันธ์กับคนอื่นบ้างแล้วก็จะ ท, ทําทํำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นไปอย่างพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปคือขอคําชี้แนะจากอาจารย์ไป็ศาลถ้าอาจารย์ก็ตอบไปว่าการที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ก็ควรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่นิ่งเฉยไม่เห็นคนอื่นมีความทุกข์รวมทั้งใส่ใจกับความรู้สึกคนอื่นด้วยท่านก็แนะนาให้ไปเป็นจิตอาสาเพราะกลายเป็นจิตอาสา สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวมได้เราก็จะเห็นใจผู้อื่นการไปจิตอาสานั้นจะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นต อ, แอนแรกอาจจะฝืนแต่ก็มีความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือคนอื่นจะสามารถทําให้เปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆได้ทําให้ใจเปิดกว้างขึ้นบางคนเนี่ยพอไม่ชอบไม่ชอบหน้ากันแล้วก็ดิ่งเฉยไม่พูดไม่มองหน้าไม่ทักทาย ถ้านานๆไปก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายลงแทนที่จะดีขึ้นแต่ถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายปสายกันจากคนที่เคยเกลียดกันก็อาจจะรักกันก็ได้เพราะคนจะชอบเราหรือคนชางเราอยู่ที่การกระทําของเราเป็นหลักเหมือนกันเราดีกับเขาเขาก็ดีแต่เราเราไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่ดีแต่เราเพราะความคิดมันจะหลอกให้คิดเกินกว่าเป็นจริงบางทีมีการเพ่งโทษแฝงอยู่ด้วยแต่ถ้าเรารักใครเรานอกจากไม่เพ่งโทษแล้วเราจะมองเขาเกินความเป็นจริงด้วยดีเกินไป ก็มีมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอีกเรื่องหนึ่งมีหญิงชราอยู่ผู้หนึ่งท่านแก่มากแล้วคล้ายๆเรียกท่านว่าเป็นอมาอม마อา마ก็อยู่กับลูกชายลูกสะภา้าแล้วก็หลานชายด้วยความที่อายุมากเวลาท่านทานอาหารมือก็จะสั่นสั่นทําให้ข้าวหกเลียลาดไปหมดทําให้โต๊ะอาหารสกปรกแล้วเถอะลูกสะภ้ายก็เริ่มไม่พอใจอา마เริ่มรังเกียจและมักจะนํา เรื่องเหล่านี้ว่าฟ้องสามีอยู่เป็นประจำสามีเธอก็ไม่รู้จะทำไงพ่อดีก็แม่นี่ก็เมียจนในที่สุดจึงตัดสินใจให้อาม่านั่งอยากโตะไปรับประทานอาหารตั้งหากอาม่าจะทำกับข้าวหกหรือข้าวหกก็ไม่เป็นไรอาม่าก็เสียใจรู้สึกว่าลูกไม่รักแต่ก็ไม่รู้จะทำไงจึงจําใจเจ้านั่งทานอาหารแต่เพียงผู้เดียวฝ่ายหลานชายก็รู้สึกสงสารอาม่าจึงเข้ามาปรึกษาแล้วบอกว่ามีวิธีจะช่วยอาม่าขอให้ขอให้อาม่าทําตามเขา โต่ให้มาแกงปล่อยชามข้าวตกใส่พื้นแบบไม่เจต น, นาแล้วเดี๋ยวที่เหลือให้จัดการเองอาม่าก็ทําตามคั้นถึงเวลาอาหารมื้อเย็นอาม่าก็ปล่อยชามข้าวหลุดมือดังเพ้งข้าหกเลียลาดไปหมดลูกสะภ้ยเห็นเช่นนั้นก็เกิดอารมณ์ไม่พอใจเตรียมด่ามาลูกชายของเธอชิงตะโกนว่ามาม่าแต่ก่อนที่เธอจะพูดว่าอาม่าทําแบบนี้ได้ไงชามเหล่านี้ผมตั้งใจไปจเก็บไว้ให้แม่ของผมตอนที่ท่านแก่ อาม่าทําแบบนี้ผมก็ไม่มีชามให้แม่ผมไม่ใช้ตอนแก่ทีครับลูกสะพ้าฟังแล้วเศร้าใจมากเกิดสํานึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเธอแก่เดี๋ยวลูกชายเธอทําแบบนี้กับเธอบ้างโดยอาชามเก่าๆและให้เธอไปแยกทานอาหารต่างหากจึงรู้สึกสํานึกผิดนับแต่แบบวันนั้นต่อไปอาม่าก็ได้ได้ร่วรับประทานอาหารกับครอบครัวอีกอีกครั้งครอบครัวกลับมามีความสุขเหมือนเดิ ม, มและไม่มีใครรังเกียจอาม่าอีกแล้วการที่คนเราสามารถสํานึกผิดได้ เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนรอบข้างและตัวเองได้ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักก็ ข, ขอนำเรื่องของความรักมาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งมีชายหญิงอยู่คู่หนึ่งเพิ่งจะรักกันทั้งคู่รักกันมากฝ่ายชายให้สัญญากับฝ่ายหญิงว่าผมจะรักคุณตลอดไปผู้หญิงจึงตอบกลับไปว่าฉันเชื่อคุณ และจะรักคูณอย่างที่รักฉันตลอดไปเช่นกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งทั้งสองชวนกันไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งได้มีนางฟ้าปรากฏกายขึ้นและบอกว่าเธอทั้งสองมีความรักที่บริสุทธิ์ต่อกันเราอยากจะให้พวกเธอได้เห็นอนาคตของทั้งคู่ชายหญิงจึงจับมือกันไว้นั่นและดีใจที่ความรักของทั้งคู่ถึงขนาดนางฟ้ามาให้พรนางฟ้ายัางพูดขึ้นว่า เธอและสองจะดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปภายหน้าหรือไม่ชายหญิงหันมองหน้ากันและตอบพบกันว่าเราทั้งสองไม่กลัวอนาคตที่จะเกิดขึ้นเรามั่นใจในการและการนางฟ้าได้ยินดังนั้นจึงเสกซีดีสองแผ่นและให้ทั้งคู่ไปดูอนาคตคันกลับมาถึงบ้านหญิงสาวค่อยนำซีดีที่ได้จากนางฟ้าและเปิดดูทันทีภาพที่เห็นในตอนแรกๆเธอและแฟน ของเธอได้แต่งงานกันเธอยิ้มแก้มปิอย่างมีความสุขมากแต่แล้วในฉากหลังๆเธอได้เห็นว่ามีภาพแฟนของเธอกาลังคบชู้เธอถึงกับนั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจขณะนั้นมีเสียงประตูเคาะที่ที่ห้องของเธอเธอรีบปิดเครื่องเล่นใช้ถ้าตาแล้วรีบไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นแฟนของเธอเองแฟนเธอยิ้ม แต่เธอโมโหมากจึงตบหน้าแฟนอย่างแรงแล้วปิดประตูโดยที่ฝ่ายชายยังงงๆอยู่ว่าโดนตบเรื่องอะไรเธอนอนร้องไห้ถึงอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นในแผ่นซีดีนั้นตั้งแต่วันนั้นเธอก็พยายามหนีหน้าชายคนรักของเธอโดยที่ฝ่ายชายตามมาง้อโดยที่ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรผิดแต่ตัวเธอเองก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อหาทางเลิกกับฝ่ายชายจนในที่สุดก็เลิกกันจนได้วันหนึ่ง ได้มีเสียงข้อประตูเธอเปิดประตูแต่ทัานใดนั้นคนที่ข้อประตูก็หันหลังจากไปจนรับตาเสียแล้วเธอเห็นและจำได้ว่าเป็นชายคนที่เธอเคยรักเธอมองลงที่พื้นพบจดหมายกับซีดีอีกแผ่นหนึ่งของที่นางฟ้าให้กับฝ่ายชายเธอรีบนาซีดีแผ่นนี้ไปเปิดดูทันทีภาพที่เห็นเหมือนกันก็คือทั้งคู่แต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่ภาพหลังจากกรแต่งงานคือภาพที่เธอมีชู้กับผู้ชายคนใหม่ โดยมีแฟนของเธอร้องไห้อยู่ข้างๆเธอน้ำตาไหลและปิดเครื่องเล่นอย่างช้าๆเธอค่อยๆเปิดจดหมายที่แนบมากับซีดีอ่านข้อความเขียนว่าผมไม่กลัวอนาคตเรามั่นใจในการและการขอบคุณแม่ผมจะเชื่อในคุณฝ่ายเดียวก็ตามลาก่อนนิชาเรื่องเกี่ยวับความรักเรื่องนี้ก็จบจบลงด้วยความเศร้าเพราะฝ่ายหญิง เชื่อในความคิดปรุงแต่งไม่เชื่อใจฝ่ายชายคือปรุงแต่งเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นทำให้เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีหลายคู่ที่สัญญากันว่าจะรักกันจนชั่วฟ้าดินสลายแต่พอถึงเวลาจริ ง, รงกลับทำไม่ได้เพราะขนาที่พูดนะกิเลสพูดพออยู่กันได้สักพักเดี๋ยวก็เบือ่อเพราะไม่มีใครตามใจใครได้ตลอดฝ่ายผู้ชายบางครั้งจะเอาอกเอาใจหรือตามใจ ผู้หญิงสักร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแต่ถ้าวันไหนเกิดขัดใจเธอสักสองสามครั้งเธอก็จะจําสิ่งที่ขัดใจไม่รู้ลืมเพราะขณะที่ทําความดีให้อีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมักจะชาชินมีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องทําเพราะหน้าที่แต่ถ้าโดนขัดใจก็จะจำแน่นแมน่พ่อแม่ก็เหมือนกันดีกับลูกพันครั้งร้อยครั้งหมื่นครั้งแต่ถ้าขัดใจลูกไม่กี่ครั้ง ลูกจะจำเรื่องที่ขัดใจจะไม่จําเรื่องที่พ่อแม่ทําความดีให้ซื้อของให้เพราะธรรมชาติจิตของคนเราเนี่ยจะคิดด้านลบไม่ได้มองด้านบวกฉะนั้นคนเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมมาเรียนเรียนธรรมะเพื่อรู้จักตัวเองถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราก็ไม่รู้จักคนอื่นไม่เข้าใจคีย์เรทคนอื่นชีวิตก็ต้องทุกกับโลกรธรรมแปดคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสรอิอมมีดินทาไม่มีใครหลีกหนีโลกรธรรมพ้น ถ้าเราอยากใช้ชีวิตอยู่กับโลกธรรมอย่างมีความสุขไม่ทุกข์เราก็ต้องเข้าใจโลกธรรมคือยอมรับความเป็นจริงของชีวิตความแก่ความเจ็บความตายการพัดพาจากของรักเราทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเป็นชาวพุทธที่ดีให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่เสมอเสมอ เกิดเรื่องอะไรได้ายือเราก็เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดปัญหาต่างที่ทําให้เราทุกข์ก็จะเบาบางลงถ้าอย่างปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางถ้าเรายึดถือมันก็จะทําให้จิตใจเราหนักไม่อิสระเราก็ต้องหมั่นเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวบ่อยๆเพราะความรู้สึกตัวจะช่วยเราออกจากความคิดปรุงแต่งได้เร็วเวลาความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้น ความหงุดหงิดลำคาใจเกิดขึ้นถ้ารู้ทันเราก็สามารถหลุดจากอารมณ์นั้นได้แต่ถ้าเราไม่รู้มันก็ปรุงแต่งไปยาวบางเรื่องอาจจะหลายวันก็ได้กว่าจะหายถ้าติดอารมณ์หลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าธรรมะจริงๆนะมีแค่รู้กับหลงเท่านั้นคือถ้ารู้มันก็ไม่หลงถ้าหลงมันก็ไม่รู้ถ้าเราไม่เจริญสติเราก็จะหลงอย่างเดียวคิดไปก็ไม่เคยรู้ว่าคิดความคิดสามารถทําให้เราเนี่ยฆ่าตัวตายติดคุกติดตารางก็ได้ เราถือความคิดเป็นจริงเหมือนจังคนที่คิดสร้างข้าตัวตายส่วนมากก็เกิดจากการคิดปรุงแต่งเกินความเป็นจริงคิดอย่างน้อยเนื้อต่ําใจหรือเรียกร้องฝวาสนใจจากคนอื่นจากคนรักจากพ่อแม่จากญาติพี่น้องหรือเจตนาประชดให้คนอื่นเสียใจเพราะการกระทําของเราก็มีทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทาันความคิดอย่ามาคนท้อแท้ใจหมดกํำลังใจถ้าถ้าเห็นอาจากย์คพลทอบุญนุ่มซึ่งท่านป่วย พิการแขนขารีบต้องนั่งรถเข็นหรืออยู่บนที่นอนไม่สามารถไปไหนมาไหนได้หน้าตาของท่านยิ้มแยม้มแจ่มใสมีความสุข <c oughs> ก็จะเกิดกําลังใจมีแรงบรันดาลใจให้สู้ชีวิตต่อไปธรรมะมีอยู่จริงแต่สาหราับผู้ใหม่ก็ต้องมีการยามิตรขอชี้แนะขอแนะนําเพราะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระริยาก็มีน้อยไม่เหมือนสมัยก่อนเราต้องแยกแยะคําสอนว่าไหนจริงไหนปลอมอันไหนดับทุกได้อันไหนเป็นไปเพื่อกิเลสอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรี่กับเวลา ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดสิ่งใดถูกต้องก็ขอสมปรารถนาเอวังก็มีด้วยประการชนนี้